อให้ใส่ตะตังกันนะแต่นี่บอกบุญก็บอกความสุขบุญคือเป็นชื่อของความสุขนะ <S <S เรียนรายบกากคนนี้อยากจะพูดให้ทั่วถึงให้หมดนะ <S <S อยากให้รู้จักบุญนันนี้ อ, อยู่ในตัวเราน ะ, ะตั้งใจฟังันทีเนี่ยเป็นวันนี้เป็นวันสำคัญเนี่ยวันอ่วันเทศนา ปฐมเทศนาหรือการประกาศพระพุทธศาสนาสมัยเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยนี่จะมาถึงวันถึงทุกวันนี้นั่นเราต้องพยายามรับเ่อนี้ส่วนมากนะ น, นี้ไม่ใช่ว่าดูถูกกันส่วนมากจะไม่คยเข้าใจเรื่องหลักของพุทธศาสนาหรือคําสอนพุทธศาสนาวันนี้จะตัดสารู้เรื่องอะไรอ่าแล้วมาเทศนาปฐมเทศนามาเท ศ, เ, ทศเรื่องอะไรนะอ่าอันนี้ก็จะบอกให้ก็เรียกว่า เห็นเดิมความดับทุกนี่เองเห็นความไม่มีทุกเห็นความดับทุกนะหรือเห็นเหตุให้เกิดทุกหรือเห็นทุกแล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกอันนี้จําเป็นมากนะทุกคนเอาแล้วอยากจะถามเนี่ยมีใครต้องการความสุกไหมใครๆก็ต้องการความสุขความความสุขก็คือบุญน่ะเดีย๋ยที่บอกว่าเอามา ท, ะนะามาทําบุญเนี่ยเหล่านั้นก็เพื่อมาทําความสุขเพื่อมาเาความสุขไดนะ้แต่ถ้าเราไม่รู้จักอันนี้มันเข้าไม่ถึงน่ะนะ อ่ามันอยู่เปลือกมันอยู่นอกๆมัเข้าไม่ถึงตัวพุนตัวความสุดที่แท้จริงนะและนี่มันมีอยู่แล้วในทุกๆคนเดี๋ยมาไปอยากจะชี้อันนี้นะพอามาเห็นะพอรู้จักนี่ที่อยากจะบอกอนะชี้แนะกันชี้ให้ดูกันนะหรือเรียวกว่าปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมอ่าเมื่อรู้จักแล้วเราถึงจะปฏิบัติ ถ, ถูกเราถึงจะทํากายถูกทําใจถูกว่าะฉะนั้นมาทำอะไรมันจะถูกต้องไปหมด นช่นั่นเราเรียกว่าปฏิปักษ์เราถึงเรียกว่าปฏิปักษ์ถูกเมื่เราเห็นอะไนไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเราเห็นไม่ถูกมันก็ทำอะไรมันก็ไม่ถูกไปหมดมันก no ็จะเหตุภาพมันจะมีปัญหาในอยู่เรื่อยถ้าเห็นอันนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยมันจะหมดปัญหานะเพราะมันรู้เหตุรู้ผลอ่ะเอ่าทางทานโลกทางธรรมท้งเรื่องทางนอกภายนอกภายในภายนอกเหมเอนกันทรัพย์สินเงินทองนะหรือสิ่งท่านปรงทุกสิ่งทุกอย่าง เรารู้จักเราก็เยียอยู่กับมันเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเราถึงยังไม่เป็นทุกข์ถึงจะมีปัญหาน่าไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยจิตใจเหมือนกันเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนกันหน้าเราก็ไม่ทุกข์อีกใช่ไหมรู้จักน่ารู้จักทําจิตทําใจได้รู้จักปล่อยรู้จักควาปล่อยความวางมันปล่อยได้มันวางได้จิตมันไม่ติดมันไม่ยึดพะพุทธเจ้าก็สอนเรื่องนี้และให้เรารู้จักอันนี้ อ่าไอรู้จักเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนอ่าแม้แต่ตัวเรานี่เงินความรู้สึกนึกคิดของเรานี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเรียกเปดนอนนาตาหน้าหลวงพจารณี่ที่ว่าเนี่ยเป็นเทพให้กัญญาพุทธิทั้งห้าังเนี่ยโกฏธัญญาได้รู้ธรรมมาเหมืนก็พูดเรื่องนี้เองนะประเทศเรื่องนี้สอนเรื่องนี้แล้สอนอไว้เห็นเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนอ่าน ะ, ะมันเป็นเพียงศัพต์ว่ามันเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองเป็นภาวะธรรมอ่าหรือเป็นธรรมชาติเนี่ยคําว่าเห็นอันาตาไปลวาเห็นธรรมชาตินั่นเองนะเหมือนธรรมดาอย่างนี้แย้ดูง่ายๆสังเกตนะเวลาเราธรรมดาเราเป็นเรารู้สึกรู้สึกอ่ารู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายนั่นที่เรารู้สึกสบายไม่สบายเราเห็นมันนั่นเป็นตัวเราของเรา นะาอังดีนะแนะต่ น, นี้ส่วนมากเราเป็นเราไม่เห็นอย่างนี้เราเราเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นเรารู้สึกเรารู้สึกเราสบายเรารู้สึกเราไม่สบายเนี่ยมีตัวเราของเราอย่างนี้นะครัอันนี้ตอนนี้พอเรามาดูใหม่ตรอสังเกตใหม่โอ้มันเป็นเพียงความรู้สึกเร็วเห็นความรู้สึกมันจะไม่ติดมันไม่ยึดมันจะปล่อยมันจะวางนะ แล้วลองมาดูจิตใจของเราด้วยเนี่ยดูความรู้สึกเป็นยังไงไม่อันไม่กั้นนะสังเกตทีดีๆนะเนี่ยไม่อันไม่กั้นมันจะเป็นภาพอ่อยความวางอยู่แล้วไม่ติดไม่ยึดอยู่แล้วนะอย่างนี้นะอ่าแล้วร่างกายก็ไม่เก็งเนื้อเกรงทัวไม่เรื่ลมันจะเดินสะดวกมันจะเบาร่างกายก็เบาด้วยจิตใจก็เบาด้วยว่าไม่อันไม่กั้นสังเกตทีเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเป็นไออาริโกเรียรร้องให้มาดูอย่างนี้ที่สูดจะได้เดี๋ยวนี้เลยนะ อ่าเนี à, ẹ, ân, non, ่ยเริ่ดูที่เนี่ยก็เห็นความรู้สึกอ๋ความรู้สึกสบายอย่างเนี้ยไม่สบายอย่างเนี้ยนะเนี่ยมันเย็นมันร้อนก็อย่างเนี้ยนะอ่าเดี๋ยวนี้อาจจะอบอ้าวอบอ้าวยังเนี้ยรู้สึกอย่างนี้ยก็เฉยเฉยแล้วก็เฉยต่อความรู้สึกของเราได้นะบางทีบางครั้งเรากระทบสัมผัสเนี่ยเกิดยินดีเกิดยินร้ายเป็นเรารู้สึกถ้ายินดีก็โอ้ตื่นเต้นโลรอยเลยผ่อดีใจนะ อ่าพอรังเทกระทบสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วก็เสียใจนหะงุดงิดลำคาบเป็นทุกข์ก็เป็นสุขอย่างนี้นะเนี่ยเสียความ ร, รู้สึกทุกข์แหละเนี่ยมันง่ายๆก็ไม่ยากเลยนะถ้าช่วดูบ่อยๆบ่อยๆว่ามันเป็นความ ร, รู้สึกแม้แต่การบริโภคใช้สอยอะไรต่างๆ น, น, นี่ไงหาอะไรกินหาอะไรอยู่อล้รก็อร่อยอร่อยหรือสะดวกสบายมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นลองดูให้ดีๆ ถ้าเราไม่ดูอ่ะเป็นเรารู้สึกไปหมดเลยกระทบสัมผัสได้ๆเป็นเราเป็เ ร, เ, ปเรารู้สึกเนี่ยเราก็ไปติดเนี่ยพระเจ้าเลยนนี้อันนี้เรียกวูปทานนะที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้วนะอ่าเนี่ยสังกิตเตนะปันจูปทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออวตารขันทังหาเป็นตัวทุกเสอีญาติทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโโรูปูปทานะขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือลูก เนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารเบญญาเ น, นี่ยเขาเรียกว่าฐานห้านะนะนในตัวเราก็มีเนี่ยมีห้าอย่างอันนี้แล้วเราก็อยู่กับห้า อ, อย่างอันนี้นะนะ็อยู่พูดง่ายๆรวมแล้วก็คือรู้สึกเราก็อยู่กับความรู้สึกตอนนี้เราไม่ได้เห็นความรู้สึกเป็นเรารู้สึกรู้สึกมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าถูกใจก็เป็นสุขพอเป็นทุกข์ก็ทาให้ถูกใจมันก็ทุกข์ไงเนี่ยแล้วคนเราก็จะจำเจซ้ำซากอยู่กับสียงเนี้นะนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเบื่อไหมใช่ไหม น้าเนี่ยเบื่อไมหมน้าเบื่อน้าละอามน้าเออเนี่ยที่เมื่อกี้เราสวดใจนั่นนะควนะ า, า, ามประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็พอที่พอใจก็เป็นทุกข์นะ้เป็นอย่างนี้ทุกคนอะถ้าไม่รู้ยากธรรมะนะเออความภาคภาพจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อีกนะีคว า, ามปรารถนาสิง่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยมาไม่ได้อย่างใจอะไม่เป็นไปที่ต้องการ ถ้าเรามาเห็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้เองกระทบสัมผัสสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจเราที่ดูใจของเราเฉยๆได้เพรเห็นความรู้สึกเราก็จะเฉยได้พอรู้ตัวนี่ค่ะรู้ความรู้สึกรู้เท่าทันความรู้สึกของเรานะเราก็จะควบคุมความรู้สึกอย่าให้มียินดียินร้ายกับอะไรแต่เราก็ยินอยู่กับอะไระนะมันมีแต่ได้ไม่มีทางเสียหรอกเรารู้อะไรเป็นอะไรแต่ว่าจิตเราจะไม่ติดไม่ยึดอ่ามันเฉยๆ พอไปเห็นความรู้สึกแล้วมันเนี่ยไม่อันน้นไม่กั้นมันเป็นความปล่อยความวางนะดูที่เดี๋ยวนี้สินะมีไม่มีอั้นขังไม่ต้องมีความคิดใครนะมันจะไม่มีมันจะหยุดเลยความคิดเห็นนี่จะหยุดถ้าเราไม่เห็นความรู้เป็นเรารู้สึกมันจะรู้สึกนึกคิด เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้วิภาควิจารเห็นอะไรมันจะอดไม่อยู่สุดเลยมันไม่หยุดเลยอ่านี่ยนี่มันจะจามเสดสามซากหมุนเวียนนั่นก็เรียก อ, อยู่ในวัด ส, สมชัน วนเวียนอยู่นั่นนะอ่าเขาไม่เห็นนี่มันหยุดเลยเนี่ยนิพานอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเขาเรียกทำนิพานนี้แจ้งเข้ามาดูนิพานก็้มาถึงเหตุจิตที่หยุดเอาแค่นี้แล้วกันแล้วมันไม่มีทุกข์พอเนี่ยนะต้องการนะมันไม่มีทุกข์อ่าแล้ไม่ทุกต้องดูบ่อยๆนะบางทีเดี๋ยวนี้บางทีอ้าวเราจิตใจไปหมกมุ่นไปเกาะเกี่ยวกับอะไรก็ยังติดอารมณ์อะไรต่างๆมันก็ยังหนักอกหนักใจดูไปเรื่อย หายใจปอดปร่งไม่อันไม่กั้นดูความมันจะเป็นความปล่อยความว่ามันไม่ติดไม่ยึดเองด้วยความรู้สึกเขาจะไม่ติดไม่ยึดเห็นความรู้สึกเขาจะไม่ปรุงแต่งเลยนะอไม่ถูกปรุงแต่งว่าหมายภาบมาภาลรู้สึกมันจะไม่ถูกปรุงแต่งจะไม่มัวหมองจะไม่เร้าหมองถ้าเป็นเรารู้สึกนี่มันจะมัวหมองกั่างนีมันจะเกิดยินดียินรานี่เรียกความเกิดเป็นทุกข์เออ เอาเถเนี่ยทุกคนเนี่ยสแสวงหาความสุขถ้าไม่เห็นอย่างนี้เราเราไม่พบความสุขที่แท้ทจริงเลยนะเพรนี้แหล ะ, ละ ท, ท, ที่เร า, ท, าที่สุดที่สุดแห่งทุกข์ที่หมดที่ตัวทําช่นไหนการทาที่สุดแห่งทุกข์ยังจะปรากฏแก่เราได้ก็ น, นี่แหละให้มารู้อย่างนี้ไงนะเนี่ยบอกให้เรเนี่ยนะมารู้จิตใจของเรานี่ดูใ จ, ใจิตใจดูความรู้สึกสังเกตดูเดี๋ยวนี้รู้สึกยังอ่านะมารู้สึกสบาย มันก็สักแล้วว่าเป็นความรู้สบายแลอย่างนี้อย่างนี้มันไม่สบายก็อย่างนี้อย่างนี้หัดดูเฉยๆเนี่ยเราก็เฉยกับความรู้สึกมันก็ไม่มีแล้วก็เป็นธรรมชาติก็เป็นอนตาแล้วอย่างนี้เห็นอนัตตาอย่างนี้หรือเป็นธรรมชาติเป็นภาวะธรรมเลยเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นอย่างนี้รู้ธรรมะพระเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอะไนเรื่องชีวิตของเราทางนั้นเลยนะนะคนเราถ้ามันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมด รักษา จ, จิตใจดีกายดีเดี่ยทําให้ดีเป็นกะับนะเราจะมีความรุ่เงเรืองมีแต่ความเจริญเขาเรียกทายดีใจดีใจดีดูก็ดีแล้วทำอะไรจะดีหมดถ้าใจไม่ดีดูไม่ดีทำอะไรจะติดคัดไปหมแล้วมันจะเพลองด้วยพอมันทุกข์นะภูมิสารทุกข์ก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวอ่านะเนี่ยขีดข้าวภาษาเนี่ยหยุดหลายวันดีกวาไปเที่ยวกัน เมื่อวานนี้ก็มีเงนินเมื่อวันสวายเทียน เ, าเราเลจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังแต่มีคนเข้ามาจากกรุงเทพนี่คนก็คนที่นี่แหละนะโอ้โอเดี๋ยวจะไปภูเก็ตอ่ะรีบไปก็รีบไปก็มา อ, อ, อยากหาสับปีได้เลยเนี่บางทีเราจะพูดสิงที่เป็นสาระให้ฟังเขาก็ไม่เห็นน่ะเขาถือว่ามาสวายเทียนมาสวายเขาถือว่าได้ทําบุญแล้วแค่นี้แล้วมันก็ได้แค่นั้นอ้าแต่ไปได้แค่นี้ก็ได้นะ ไ, ไม่ใช่ไม่ได้บุญ มาถวายข้าวของเนี่ยถ้ายังต้องเกิดชาหน้ายังต้องเกิดอีกก็รวยอ่ะก็มีอ่ะก็มีสิ่งของข้าวของอย่างนี้แต่ก็ยังทุกข์อยู่นะมั้ยยังทุกข์อยู่จงเวียนเวีนอยู่ก็ความทุกข์อยู่ถึงจะมีเงินมีทองเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นไหมนะนีะ่ถ้าไม่รู้ธรรมะเห็นไหมมีกินมีใช้ก็ยังทุกข์แล้วบางคนก็ไปฆ่าตัวตายก็เยอะอย่างใช่ปะนะ่นะ เนี่ยยิงข่าวเมื่อเช้ากังข่าวนี่ญี่ปุ่นมันมีคนฆ่าตัวตายกันเยอะเลยเมืองไทยเราก็เยอะเพราะว่าในแสนคนมีสิบเอ็ดคนฆ่าตัวตายแต่คิดว่ามันกว่านะฮะต่งางประเทศนะก็ไม่น้อยใช่ไหมเพราะเนี่ยมันเราไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจธรรมชาติอันนี้น่นอก็อยากจะโอ้ไม่ทุกข์อะโอ้ถ้าตายไปแล้วจะได้หมดทุกข์วันไม่หมด นะถ้ายังไม่เข้าใจตายไปยิ่งทุกข์หนักเลยยิ่งแก้ไม่ได้ไมต้องแก้ตรนเป็นเป็นแก้แบบไม่ต้องแต่ให้เรารู้จักทั้งนี้เพารู้จักอ้อมันเป็นอย่างนี้เองเห่นไหมอ่าแล้วแต่นี่เกิด ท, ทุกข์ก็เกิดจากอะไร<ม>ก็อยากความคิดปรุงแต่งของเราเป็นผิดผล ง, งความคิดปรุงแต่งของเรานั่นเองนั่นแหละที่เกิดทุกข์เกิดสุขเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรานะนั่นเราเวรกรรมเรียกว่ากรรมนะกฎของธรรมชาติเห็นไหมประโยชน์ทำดีมันดี ทำชั่วมันชั่วทำพูดคิดเนี่ยการกระทำของนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เห็นความลบสึดอย่างนี้นะเออทําอ ะ, ทอะไรล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนใครนี่ก็เหลีอยู่ในเส้นท้ายนะไม่ฆ่าสักไม่ลกักซักไม่ประพฤติผิดนิกาอ่าไม่มุสาไม่โกหกมดเท็จหรือไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปไปดื่มเครื่องดองของเมาหรือเอาวายงมุกต่างๆต้อ ง, ง, ง, ง, งมดอันนี้ อ่าอันนี้ก็เรียนมาเข้าวัดวันนี้วันนี้พรุ่งนี้เข้าคสงสารว่าเอาเต่วันนี้เลยนะพยายามหัดลดละกันเนี่ยตอนนี้เขาก็กํานนลังรดนอารมณ์กันใช่ไหมอ่าเข้าสงสารงดเหล่านะงดเหล้างดบุหรี่ติดเสียงเสพติดนะนะหัดเลิกหัดละ ใชแล้วมันจะเบาแมวเนี่เด็ดบุหรี่เด็ดเหล้ากิดใจมันจะไปเกาะเกี่ยวอยู่ไห้เล่าไว้บุหรี่มันก็อยากทีนี้พอดูความรู้สึกเออมันอยากก็อยากไปทีเราไม่อยากก็มันทำะไเราไม่ทําตามมันอยากก็ดูมันอยากก็ดูเฉยเฉยอ่ะอ่ามันอยากไปเราดูให้มันทนดูทนดูต่อนี้เราเฉยต่อความรู้สึกของเรานั่นเองชนะตัวเราชนะจิตใจของเราเนี่นแหละนะเนี่ยเราดูให้พอเรา เรามีพลังดูบ่อยๆกำลังใจเราจะแข็งแรงขึ้นมันก็จะทนดูได้นะวะอันนี้ใหญ่กิเลสเนี่ยมันจะทำตาปี๊บๆๆเลยก่อนนี้พอมันนึกอะไรก็อยากอะไรก็ตามไปหมดเย้ยนะวะแต่นี้มันอยากแล้วไม่ทำตามอยากทีต่ตอนนี้มันจะนั่งทำตาปี๊บๆเลยเราจะเห็นเล็กกิเลสเนี่ยมันอยู่ในจิตใจกใกล้ความรู้สึกของเราะใช่ไหเนี่ยก็ต้องทอรมานแบบนี้นะวะ เนี่ย น, นะอาตาปีสัมปะชาโนสติมาวิเ ย, ยเนียโลเกปิธาตมนนักสังมีความเพียรเครื่งเผากิเลสมีสติมีสัมปะชัญญ ะ, ะละความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเราเขา เ, ขาเห็นนี่มันจะละได้นะเนีน่ยเราก็ต้องเอาชนะจิตใจเราเองชนะอะไรอ่างเลยก็ไม่มีเท่าชนะตัวเองชนะจิตใจของตัวเองนี่หลยนี่แหละทุกข์ที่สุดแหละทำร้า้เราอยู่ตลอดเวลาเลยนะ ในบางคนขบอกเนี่ยมีกิเลสเอออย่าไปเรียกมาว่าอีกเพราะมันไม่มีค่ามันทิ้งไปเดี๋ยวไหมเออโดยค่าก็ไม่ต้องค่าหรอกเราดูความรู้สึกรูใจช่วยนะเออเนี่ยมันจะขี้เกียจขี้ข้านเราก็อย่าไปร่วมอัะมันเออเราก็ต้องดูที่ดูความรู้สึกเป็นกุศลไม่เป็นทางกุศลความคิดมันก็มีความคิดความเห็นความคิดดีไม่ดีเป็นคุณเป็นโทษเออมันไม่เป็นไปในทางที่ไม่ดีเราก็อย่าไปเอาอย่างมันนะไหม เราก็ไม่ทําตามอะ่ะมันจะคิดเราก็ดูไหมเออคิดดีเราก็ต้องทำมันคิดไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาเจ๊นะเนี่ยมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้เจ๊ะอ่าเราก็ได้เห็นความคิดของเราลงจากความรู้สึกนึกคิดมันจะมีอยู่ด้วยความรู้สึกเพราะยังเรายังหลงอยู่ยังไม่เคยรู้ตัวนะถ้าปลุกสติให้รู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลานะจะไม่มีเลยความคิดจะไม่มีเมื่อไม่มีความคิดไม่มีความคิดอะไรเนี่ย อ่ามีแต่ความรู้เนี่ยความรู้สึกจะไม่มี่ะอยากก็ไม่มีอยากก็ไม่อยากก็ไม่มีมมมต้องการไม่ต้องการก็ไม่มียินดีร้ายเไม่มีหมดนะเป็นกิตที่บริสุทธิ์นะอ่าเนี่ยดูเมื่อกี้อนิสฐานเนี่ยสบายทานอันนี้ก็เพื่อให้เข้าถึงนะความสะอาดสว่างสงบนะอ่าเนี่ยเป็นภาวะของพระราหันนี่แปลว่าไกลาจากกิเลส สะอาสว่างสงบก็ไม่มีอะไรหน้ารเรียกว่าไกลจากกิเลส น, นะง่านยะแล้วทุกคนต้องการไหม <c oughs> เนี่ยเมื่อจิตใจได้ของแท้จิตใจที่ใสสอาดก็นอนก็เป็นสุขอย่างนี้ที่วั น, นมันนะฮะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยน่ <c oughs> สังเกตนะญาโยนทุกคนสังเกตว่าวันวันมีความสุขมากหรือความทุกข์มากสังเกตดูสินะดูความรู้สึกได้พักไหมนะนะ อวารู ờ, ้สึกหยุดมั้งไหมความรู้สึกไม่ได้ดูลังทีส่วนมากนะอันนี้ไม่ใช่บางคนข้าได้ได้ศึกษาได้ได้ดูนะจะเห็นความหยุดหยุดความรู้สึกมันหยุดนั่นแหละคื อ, ค น, อนิพพานละนออะอะ่าไม่หยุดไม่หยุดก็ปุ่งแทงเรื่อยไปยุ่งเนี่ยใช่ไหมอ่าจะเห็นว่างอ่าว่างถ้าไม่เห็นมันวุ่นพอเห็นหยุดแต่หัดดูบ่อยๆสังเกตสังเกต เห็นได้เลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปทําเลยมันมีอยู่แล้วนะการจิตใจเราจะว่างดูเนี่ยเม่กี้เวลาออกบาร์ดิชให้ดูนิดเดินะก็มีแผนโครงให้ดูนิดนึินนะนี่เป็นของคนจีนเข้าเนี่ยเป็นภาพอย่างนี้ภาพความว่างเคยจิตใจภาวะเดิมของเราว่างอยู่แล้วไม่มีอะไรเนี่ยทีเช่ดูเด็ดแล้เนี่ยรวความรู้สึกเคยถามเยอะเยอะดูที่ดูความรู้สึกนีอะ ถ้าโดนสางเกตดูมีอะไรไหมมีไหเนี่ยว่างอย่างนี้แต่ถ้ามันมีอะไรอะไรก็คืออันนี้เห็นเป็นหน้าตาเป็นธรรมชาติอันนี้บายน้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าน้าตาเขาว่าไม่มีเราอน้าตาแปลว่าไม่มีเรานั่นไม่มีไม่ใช่เรารู้สึกนั่นเองเราอเราเห็นความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกเห็นอันนี้เรียกเห็นอน้าตานะแต่พอเห็นความรู้สึกเราก็จะมีเราก็ว่าง แล้วก็ว่างอย่างอันนี้เราไม่ยึดอ่ะมันจะไม่ยึดติดนะฮะถ้าไม่เห็นมันมืดอย่างนี้เนี่ยมันจะมืดมันจะคิดอะไรไม่ออกมันจะดักออกจากใจนะเนี่ยคนที่ตายเพราะมันมืดสิมันไม่เห็นจิตใจไม่รู้ธรรมชาติเห็นธรรมชาติเห็นทุกข์เห็นสุขนะก็อยากจะหนีความทุกข์เลยก็ต้องฆ่าดูตายใช่ไหมหรือแมวเราไปกินเหล้าไปออะไรๆต่างๆเพื่อจะให้มันลืม เพื่ออย่ามาทับถมเพื่ออย่ามาปิดบางความทุกข์นั่นเองยิ่งปิดมันก็ยิ่งยิ่งทุกข์หนักเข้าอีกนะอ่เนีย่ยเหมือนหลังคาล่วเรายิ่งมุงบางมันก็ยิ่งไม่รั่วลดนะแล่ทนี้ถ้าหลังคาล้วเรายิ่งปิดเอ่าทัากอิเล่มันมากเรายิ่งไปปิดบังมันไรมันยิ่งรั่วรดเรานะขอให้เข้าใจไว้ภาวะเดิมของเราจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่างอยู่แล้วมีว่างอยู่ะ ไม่ต้องทำเลยอะแล้วอย่าลืมอันนี้ทีหายใจเข้ายังหยเห็นออกยังเห็นอยู่หายใจเข้าก็าเห็นอยู่นะยืนเดินนั่งนอนขยับนี่ขยับก็ว่าว้าแต่นี้ต้องฝึกต้องหัดเจริญสตญินั่นที่ดีก็มีสร้างจังหวะนี่ยน่าทำนี่นะดูความเคลื่อนไหวเคลื่อนไปดีก็ยังเห็นความรู้สึกอยู่แต่เราไม่เห็นความรู้สึกของเราที่มันว่างนี่ย เพื่อจะสะสมเพื่อให้ชินกันนี้เราไม่ชินเพื่อมาทําเคลื่อนไหวนี่เพื่อจะให้ชินรัาสายความเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกมือขึ้นยังเห็นเอาเข้ามาทีก็ยังเห็นอยู่พลิกมือขึ้นตั้งขึ้นยังเห็นอยู่เอาไปอย่างนี้ก็ยังเห็นภาพรู้สึกของเราอยู่ไม่มีอะไรว่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยวาอ่างโงมเบาแล้วเี้ยตอนนี้พอชินอันนี้แต่กระทบสัตว์ใจม่จะไม่หนักมันจะหลุดแล้วแล้วก็เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมา หรือไปอยู่กับการกับงานเราจะทําทการทํางานก็เห็นจิตใจเราหยุดอยู่พักอยู่มันจะไม่เหนื่อยนะแต่ธรรมดาเราไปทําการทํางานเปเราเราเนี่ยมันมีเหราอะเรารู้สึกว่าเราต้องทำนั่นต้องทํานี่เห็นไห ม, มันเหนื่อยใจแล้วมันก็หมดกําลังใจแล้วมันก็ท้อแท้แล้วมันก็เบื่อหน่ายนะนั่นแหละทุกทุกคนนะสะสมแต่ทุกอย่างดีิบนะเนี่ยนี่หลวงพ่อเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นหะ มาเล็งระยะสุดท้ายไม่ได้ทุกข์เลยคิดว่าตายเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะอยู่ได้เนี่ยคิดว่าเป็นกี่เข่าเท่านี้นะแต่ก็ดีใจแล้วเพราะเนี่ยได้รู้ธรรมะเพราะเขาเห็นอย่างเนี้ยก็ไม่ไปทุกข์มันไม่ทุกข์เองนะไม่ใช่ว่าเราอย่าไปทุกข์มันรู้ว่าโอ้ก็อย่างนี้ยอะไรอะไรก็อย่างนี้อย่างนี้ก็มีความสุขให้กิโมกันสิบสองครั้ง อย่าบอกใครเลยให้กิโมะแต่ละครั้งนี่อย่าบอกใครมันทรมานนะว่าแต่เราก็เห็ น, มนม่มันไม่สบายก็อย่างนี้นี่เราก็เฉยเราความรู้สึกเราก็อยู่กับมันให้มันสบายร่างกายมันไม่สบายเราก็อยู่กับมันให้มันสบายได้นะถ้ารู้จักแล้วนะเออนี่เราเรียกว่า บ, บอกบูลกันนะเอออ่ะก็คงจะส้อวยแก่เวลาเออตอนนี้ถ้ามีเวลานะใครยังมาปฏิบัติก็ได้เนี่ยนายสามมาเลยนะ ไม่ต้องมาอยู่สักคืนหนึ่งก็จะเข้าใจอะไรขึ้นนะอย่างง่ายขึ้นไม่ต้องมาทํามาศึกษาหรือไม่มาค้ามก็มามาถามมาได้มาขอคาแนะนําจะแนะให้นะจะชี่ใ้เห็นได้เลยแล้วไปอยู่กับกายทำ ง, งานนั่นแหละรู้ได้นะไม่ต้องมาอยู่วัดก็ได้นะอยู่กับกายกับงานอยู่กับครอบครัวนั่นแหละนะอนะชีวิตจะได้มีความสุขจะได้สมบูรณ์แบบขึ้นนะถึงเรียกให้สมกับว่าเกิดมาทําไม เกิดมาแล้วมันต้องให้มันคุ้มค่าบางครั้งมันไม่คุ้มค่าใช้ชีวิตมันไม่คุ้มค่าเจ๊ะไหมมันมีปัญหาอยู่เรื่อยๆอย่านี้มันไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะได้สังเกตไหมเจ๊ะหมแล้วทำไงถึงให้ชีวิตเนี่ยมารู้อย่างนี้รับรองชีวิตจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะจบจริงๆชีวิตนะเอ อ, อต่อไปรับทองกัน เอออันเนี้ยแล้วก็เนี้ยมันทําความดีมันทำบุญแล้วกอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเจ้ากรรมในเวรนะ เ, เราจะได้คนโชคคนโศกค น, นโลกคนไทยดูจิตใจเมืเราให้ของแผ้วแล้วนึกถึงใครก็ถึงหมดอ่าไม่ต้องเอาหน้ามาหลังก็ได้หรือต้องการหลังเดี๋ยวกลับไปบ้านก็เคื่อยไปตรวจอีกทีก็ได้ทำไปตัวเดี๋ยวนี้ถึงหมดเลยนึกถึงใครก็ถึงหมดจิตให้ว่างๆงไปเห็นไหมจิตไม่มีอะไรจะนึกได้เต็มโลกเลย ทั้งโลกเลยแพ่ไปหมดทั้งโลกเลวขอให้มีความสุขใช่ปะว่าเราก็มีความสุขหน้านแล้วเราก็แพ่ความสุขของเราอองแหละนะ